ช่วงเวลาที่เรารับฟังทำก็นกในโลกใบนีนะ้ที่เราอยู่ก็ล้วนแต่ <c oughs> มีปัญหาที่จะต้องแก้ไข เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องหนึ่งก็จบลงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอุปสรรคปัญหามนุษย์ก็ต้อง แก้ไขแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ยังพร่องอยู่แต่ว่าทุกอย่างการต่อสู้แก้ปัญหา <c oughs> หรือว่าอุปสรรคก็ต้องมีสติปัญญา เป็นสิ่งแก้ไขใครอดทนได้มากกว่าคนนั้นก็ทุกน้อยกว่าใครที่ไม่รู้ความอดทนเลยชีวิตก็จะต้องทุกตลอดไปเช่นอย่าคิดว่า พวกเราเนี่ยจะได้สิ่งที่พึงประสงค์ไปทุกอย่างหรือว่าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่าคิดว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเรามันก็เกิดก็ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัติผู้ภาวนา จะสามารถกำหนดรู้จิตแค่ไหนมีสติสัมปชัญญะมากน้อยเพียงไหนและก็มีปัญญาที่จะทำสิ่งร้ายๆก็ให้มันดีขึ้น หรือว่าแก้ปัญหาให้มันเบาบางถึงจะไม่หมดก็ต้องแก้ถ้าไม่แก้มันก็แย่อยู่ตลอดเพราะอะไรโยมว่าก็เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว อยู่สองคนก็เริ่มทะเลาะกันแล้วอยู่คนเดียวก็ทะเลาะกับตัวเองอยอมเชื่อไหมละ่ะพวกเราเองก็ทะเลาะกับตัวเองบ่อยครั้งบางทีความคิดมันก็ยังเป็นสอง จิตใจเองก็ยังตัดสินใจโลเลลังเลไม่รู้จะซ้ายหรือว่าจะขวาดีมันก็ยังสู้กันในระหว่างมโนธรรมกับจิตที่ไร้สำนึกระหว่างความผิดกับความถูก ระหว่างดีกับชั่วระหว่างบุญกับบาปและนรกสวัสด์พวกเราสู้กันตลอดมาคนต้องการเพียงแค่ความสบายแต่ต้องมาทนทุกข์ในชตาชีวิต ที่ตนเลือกก็แล้วแต่บางคนคิดอะไรก็เอาง่ายๆขอให้ได้มากอดไม่ได้คำนึงถึงว่าปัญหาที่เกิดตามมานะมันใหญ่โตแค่ไหน และชีวิตของเราจะมีภัยแค่ไหนจะวุ่นวายเพียงไหนจะอยู่อย่างผู้มีปกติได้อีกหรือเปล่าฉะนั้นระหว่างมโนธรรมกับจิตที่ไร้สำนึก มันก็สู้กันมาตลอดสู้กันดีกับชั่วก็เป็นคู่กัดกันตลอดบางคนก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยต่อความดีที่ทำแล้วก็รู้สึกมันไม่อิ่มใจ ทำแล้วก็ความปรารถนาก็ย huh. ังไม่ได้มาเหลือไปมองเห็นคนชั่วช้าไรจิตสำนึกดูเหมือนจะรุ่งอาตมาเคยบอกว่าอย่ามองฉากเดียวดูละครดูหนัง ดูให้จบแล้วบทสรุปก็จะเปิดเผยสุดท้ายชีวิตที่ไร้มโนธรรมไร้จิตสานึกไม่ประสบความสุขไม่ได้พบความสบายอย่างแท้ของชีวิตจริง และที่สุดตัวเองนั่นแหละทำร้ายตัวเองฉะนั้นโยมจะต้องค้นหามโนธรรมให้มากกว่าที่เป็นอยู่มโนก็คือใจ ใจที่มีธรรมใจที่มีความบิรรมอยู่ตรงเนี้ยมโนธรรมพอถึงเวลาบางทีโยมก็ขาดมโนธรรมเพราะผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทำลายมโนธรรมก็ทำให้เสียจิตสำนึกหรือใช้ให้ลึกกว่า น, นั้นจิตใต้สำนึกอาจมาเชื่อนะทุกคนจิตใต้สำนึก หวังเป็นคนดีทั้งนั้นปรารถนาเป็นคนดีปรารถนาความสุขของชีวิตจริงๆนั่นคือจิตใต้สำนึกอย่าให้จิตใต้สำนึกตอนหลับและตื่นสะดุ้งขึ้นมา ถูกวิญญาณหลอกหลอนถูกคนสาบแช่งถูกคนทำร้ายหรือฝันเห็นบนรรพบุรุษไม่พอใจน่ากลัวนะคำนี้ถ้าวันใดฝันถึงบรรพบุรุษ เคียดแค้นหรือแสดงอาการไม่พอใจระวังไว้บรระชนก็รับทราบแล้วทำให้เขาอยู่ไม่เป็นสุขด้วยเขาจึงโกรธลูกหลานที่ยังมีชีวิตนั่นก็แสดงว่าอากตัดันอยู่ ทำให้บรรพชนต้องเดือดร้อนทั้งที่เขาตายไปแล้วระวังให้ดีจิตใต้สำนึกอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามโยมจะทำอะไรใช้จิตสำนึกตรึกแล้วก็ตรอง มองแล้วก็เพ่งดูให้รู้มองให้เห็นเข้าใจในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่มันคืออะไรดูให้ดีถ้าชีวิตมนุษย์ใช้กฎเกณฑ์แบบภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็คือ อยากได้ก็ใช้กำลังเยอะแยงมาอยากได้มีกำลังกว่าก็คมเหงมมาไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องกลัวว่าใครจะเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นจิตเป็นสัตว์แล้ว ไม่แยกชั่วยแยกดนะีจิตเป็นสัตว์แล้วไม่รู้ผิดรู้ถูกนั่นเป็นสัตว์แล้วไม่ได้ท่านโยมจะต้องใช้จิตใต้สำนึกให้มากปลุกนะปลุกมโนธรรม ให้ตื่นฟื้นขึ้นมาสร้างกรรมดีเจริญในกุศลธรรมถ้าไม่อย่างนั้นความชั่วจะครอบงำจิตแล้วสุดท้าย เมื่อมันครอบงำได้มากมีกําลังมากพอนั้นวันนั้นวันเข้าจิตดวงนี้ก็เป็นมารไปโดยไม่รู้ตัวก็คือไปทําลายความสุขของผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นรังแกผู้อื่นเหยียบย่ําผู้อื่น ไม่มีอะไรที่น่าสรรเสริญและก็ไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจเพราะวันหนึ่งจิตได้สำนึกพอ โ, โล่ขึ้นมาเราจะรู้สึกคำว่าผิดคำว่าชั่ว คำว่าเลวคาว่าร้ายและวันนั้นความทุกข์ก็เสมือนกับเพลิงแล้วก็เป็นทะเลเพลิงด้วยจะเผาจมดวงจิตนั้นให้มอดไหมอยู่ชั่วกับชั่วการชั่วกับโ่วกันชั่วกันละนาน นั่นก็คือลงสู่อเวจีนรกนี่คือผลกรรมใครชักนำลงสู่อเวจีนรกไม่ใช่เพราะความเลวความชั่วความเห็นแก่ตัว นั่นเป็นเพราะเราไรจิตสำนึกฉันทุกคนมีจิตสำนึกปลุกให้ตื่นได้แล้วจิตใต้สำนึกย่ามันหลับให้มันตื่นพอจิตใต้สำนึกตื่นธาตุแห่งพุทธ ก็จะตื่นด้วยเรื่องของเรื่องทั้งหมดถ้าจิตใต้สำนึกยังหลับไหลอยู่าธาตุแห่งพุท ธ, ธะในจิตวิญญาณของมนุษย์สัตว์น้อยใหญ mm hmm. ่ก็เหมือนหลับไหลอยู่ด้วยแต่เมื่อไรธาตุจิตใต้สานึกตื่นขึ้นม า, าธาตุแห่งพุท ธ, ธะ ก็จะตื่นขึ้นเวลานั้นก็สามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานได้นี่คือสิ่งสำคัญแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ใช้ชีวิตแบบห ย, ยาบๆยาบ ไม่ลึกซึ้งอะไรกับชีวิตไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับชีวิตจริงจงจังๆสุขไปวันๆเที่ย ว, วไปวันๆกินไปวันๆหนึง่งเสิเพลงไปวันๆหนึง่งตลบขบขันไปวันๆหนึง่งหลอกเข้าไปวันๆหนึง่งกินเที่ยวไปวันๆหนึง่ง มันไม่มีอะไรเลยก็เสมือนขับรถเที่ยวแบบไม่มีจุดหมายมันไม่มีสาระไม่มีสาระขับไปขับมาขับมากับไปบอกไปไหนขับรถเที่ยวเออวันสองวันฟังได้ แต่ถามกี่ครั้งก็บอกขับรถเที่ยวขับไปขับมาขับไปขับมาไม่มีสาระเลยสุดท้ายก็เหมือนเป็นคนจอนจัดไม่มีหลักแหล่งไม่มีจุดยืนไม่มีจุดหมายแล้วก็ไม่รู้ว่า ปลายทางของตัวเองคืออะไรเขาคิดว่าก็ได้กินอิ่มนอนหลับได้ตื่นมากินมาเที่ยว ม, มาเมาเสพกามอยากได้อะไรก็ซื้อมามีเงินมีทองแล้วพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายทำไว้ให้เจ้านั่นมันกินบุญเก่านะอย่าไปดีใจ กินของเก่าไม่นานก็หมดเหมือนเติมน้ำมันให้เต็มถังแค่ไหนก็ตามขับลูกเดียวสุดท้ายก็หมดไม่รู้จักเติมใหม่ยังไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย อยู่ไปก็เท่านั้นแหละไม่กี่ปีก็เบื่อเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาเล่นต่ออีกน่าองสารนะที่เกิดมาเขาได้แต่สุกจอมปลอมเล่นไม่นานก็เบื่อได้มาไม่นานก็ทิ้ง เขาไม่เคยจริงต่อสิ่งใดใจดวงนี้ไม่เคยรู้ว่าความจริงคืออะไรน่าสงสารทั้งที่ดูแบบสนุกสนานอยู่แบบหนุ่มเจ้าสมราณแต่ตอนจบน่าสงสารดีไม่ดีติดเล่า น่าสงสารดีไม่ดีเกิดมีโรคร้ายขึ้นมาพอย้อนดูชีวิตมันเหมือนกระดาษที่ว่างเปล่าจากสาระที่บันทึกไว้ในชีวิตมันเป็นชีวิตที่ศูนย์เปล่า เมื่อก่อนมาก็เคยคิดว่าเออชีวิต อ, อย่างเงี้ยดีไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรสบายคนถ้าเกิดมาปฏิเสธค็ว่าความรับผิดชอบแล้วก็เติมคำ เ, เติมคาหลังว่าอีกคำหนึ่งเราช่วยเติมก็มาช่วย คือคนที่ช่วยไม่มีอะไรเลยคนม่รับผิดชอบคือคนปฏิเสธชีวิตคนเหล่านี้รับผิดชอบอะไรไม่ได้ดูแลอะไรไม่ได้เสียสละอะไรก็ไม่เป็นให้ทำอะไรสุดท้ายก็ทำไม่ได้ นั่นคือกินบุญเก่าโยมอย่าไปคิดว่าโอ้โหเขาทำอย่างนี้เขายัางดีขนาดนี้นั่นเขาเกี่ยงอาศัยบุญเก่าท่งอยู่แต่มาเห็นงี้ก็สลดใจแล้วบุคคลนี้คงอีกไม่ช้าจะไม่มีอะไรติดตัวแล้วก็ไม่เหลือ อาจจะไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวไปด้วยแล้วก็อยู่แบบไม่เหลืออะไรด้วยตายวันนี้คนโลกคนลืมเลยหมดแล้วไม่มีอะไรเลย ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญตอนนี้พวกเราต้องมีสติสสแสวงหามาโนธรรมคุณธรรมแล้วจิตใต้สํานึกที่ดีๆเนะี่ยพวกเราจะได้เรียนรู้กับสิ่งที่ดีๆ บางคนจะปิดกั้นตัวเองจะไม่ยอมเปิดใจยอมเชื่อไหมบางคนไม่กล้าที่เปิดใจตัวเองนี่เรื่องจริงนะไม่กล้าที่จะเปิดใจตัวเองกลัวบางคนทำอะไรผิดไว้เยอะไม่กลา้า หรือบางคนก็ปิดกั้นตัวเองไม่ยอมรับสิ่งอื่นเลยปิดเดินคนเดียวไม่รู้ทางเขาเรียกว่าคนหลงทางเดินคนเดียวไม่รู้ชีวิตเขาเรียกว่าคนหลงตัวตนชีวิตที่เกิดเอง แล้วสุดท้ายเขาจะไม่มีแม้แต่คำว่าเพื่อนมิตรภาพก็ไม่มีคำว่เ า, าเพื่อนสายเลือดคำว่าพี่น้องเขาก็จะไม่มีเขาไม่รู้จักสายเลือดเขาไม่เข้าใจคำว่าสายเลือดความรู้คุณพ่อแม่กตัญญูเขาไม่รู้จัก เขารู้ว่าตอนที่เขาโตแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งมาสั่งมาสอนมาบอกเขาพอตัวคนเหล่านี้เขาไม่เคยรู้แม้แต่พระคุณบุญคุณพ่อแม่จริงไม่นึกถึงคาว่ากัตันอยู่เสียหายจิตไร้สำนึก มานครอบงำได้เขาไม่รู้จักคาว่าความเคารพและความเกรงใจต่อผู้ใดผู้หนึ่งเขาเองก็จะไม่ได้ความเคารพและความยำเกรงจากผู้ใดผู้หนึ่งสุดท้าย เขาจะอยู่คนเดียวในโลกใบนี้เขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอเดินไปจุดนั้นจริงๆเขาอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้อาตมาเคยมีความรู้สึกอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ต้องการปลีกวิเวก ขนาดอยู่ป่าอยู่เขาก็ยังอยากจะหนีไปไม่ต้องเจอหน้าผู้คนไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปฟังจากใครไม่ต้องไปรับรู้อะไรทั้งนั้นใจจะได้สงบไม่ต้องไปเห็นใครไม่ต้องไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างข่าวสารอะไรไม่ต้องไปรับรู้มันทักอย่างนั่นคือแค่ห่วงของความคิด ในขณะจิตหนึ่งเท่านั้นแต่พอเอาสติปัญญามากำหนดพินิษพิจารณาคำตอบก็บอกว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใบนี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ยืนยันจริงๆว่าไม่ได้ใครจะคิดอยู่ชีวิตคนเดียวในโลกใบนี้ ปิดประตูทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่โลกส่วนตัวน่ากลัวที่สุดคนที่อยู่โลกส่วนตัวแล้วก็ปิดกั้นทุกอย่างไม่รับสิ่งใดเลยนะสุดท้ายประสาทจะหลอนตัวเองยมจำคำนี้ไว้นะ สุดท้ายประสาทจะหลอนตัวเองความรู้สึกของตัวเองก็จะหลอกตัวเองอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็หลอกตัวเองในที่สุด เขาจะอยู่อย่างไม่มีตัวตนเนี่ยไม่ได้หรอกโยมตาไม่เห็นรูปหูไม่ฟังเสียงจมูกไม่ดมกลิ่นลิ้นไม่ลิ้มรสกายไม่สัมผัสใจไม่ถูกต้องทำอารมณ์น้อยใหญ่เนี่ยมันผิดวิสัยแล้วเป็นได้ก็แค่รูปปั้นแต่นี่เรามีชีวิต ถ้าปิดกั้นตรงนั้นในที่สุดชีวิตจะไม่มีอะไรเลยและเขาก็จะรู้สึกสุดท้ายเขาบอกว่าเชื่อใจใครไม่ได้แล้วในโลกนี้ที่สุดก็อยู่ด้วยความระแวงหวาดกลัวความระแวง ในที่สุดบทขนทางเยียวยาวอยู่คนเดียวมันผิดวิสัยมนุษย์มีสังคมมนุษย์มีสังคมคนไม่ได้ดีไปหมดไม่ได้เลวไปหมดไม่ได้ชั่วไปหมด ไม่ได้ถูกไปหมดไม่ได้ดีไปหมดจึงบอกว่าใครมีปัญญาก็ต้องเลือกทางให้ถูกเลือกชีวิตให้เป็นแต่มาจึงขึ้นว่าอุปสรรคปัญหาชีวิตมีกันทุกคนแล้วก็ไม่ได้จบง่ายงเรื่องหนึ่งจบเรื่องใหม่เกิด เรื่องนี้จบเรื่องใหม่เกิดทำท่าว่าทุกอย่างจะลงตัวเพอร์เฟมันหมดแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วศึกภายนอกในบ้านก็สงบรักใคร่กันดีนี่สินก็ไม่มีธุรกิจก็ก้าวหนะ้าการเงินก็ใช้ได้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วทำท่าจะยิ้มหวาน คิดหรือว่าเขาจะให้สุขอย่างคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเดี๋ยวก็โรคถามมหาอย่าเนึกว่าเขาจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็เกิดโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมา เดี๋ยวเกิดความแก่ชราขึ้นมามันก็เจอปัญหาอีกก็แก้กับไปรักษากันไปแต่สุดท้ายจิตใต้สำนึกของเรานะพอระลึกอะไรขึ้นมารู้สึกเศร้าหมองหรือเบิกบาน ย่มต้องวัดให้ดีจิตตัวนี้นะเศอ้ามองหรือเบิกบานบางคนนั่งนั่งแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาอยู่คนเดียวใครทำให้ร้องเย็นมองก็ไม่มีใครอดีต ท, ทำให้ร้องไห้ หรือชีวิตกำลังเจ็บปวดอยู่เรื่องอะไรโยมไปถามได้แค่คำตอบหนึ่งแต่ไม่ใช่ได้หมดมันก็ยังมีเรื่องอีกเยอะเพียงแต่ว่าปัญหาไหนหนักกว่าเบากว่าก็แก้กันไป จนที่สุดยมรู้วิธีรักษาจิตนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดรักษาจิตที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมาตลอดสุดท้ายก็คือให้รักษาจิตจนถึงกัจิต ที่พ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ตอนนี้โยมรักษาจิตได้แค่ไหนเรื่องมันมีเยอะวันนี้จบแล้วพรุ่งนี้มีใหม่มารือมาเรื่องก็ว่ากันไปอีกไม่รู้เมื่อไหร่โยมไปยืนดูทะเลทักคลื่นสงบอยากเข้าใจว่า ทะเลไห้คลื่นถ้าทะเลไห้คลื่นกตมาจะไม่เรียกว่าทะเลอีกต่อไปเพียงแต่เขาสงบไปชั่วขณะวันดีขึ้นดีทะเลก็บ้าคลั่งขึ้นมา จมชีวิตนับไม่ถ้วนแต่พอฟ้าใสเบิกบานแจ่มใสอารมณ์ดีคลื่นก็เอาไปเล่นสกีได้ให้ความสนุกสนานเป็นกีฬาได้มองแล้วก็เป็นศิลปะได้เกลียวคลื่นนี่สวยไม่ยอมดู สวยดวยบอกเออใครช่างว่าชีวิตว่าไม่มีคลื่นไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาธรรมะบอกให้จบกี่ด็อกเตอร์มา่มก็เคยมเออีเรียนหมอเก่งแล้ว เรียนหมอจบแล้วก็ต้องไปเรียนเอกของอีกวิชาต่างหากอีกหลายปีถ้าต้องการเป็นหมอเก่งโดยเฉพาะทางก็ต้องไปศึกษาอีกทีแรกก็จบหมอทั่วไปก็ไปเรียนต่อเพื่อเป็นหมอเก่งเฉพาะทางอีกจนเป็นหมอใหญ่ โยม่าได้มาง่ายเลยกว่าจะเรียนได้เป็นหมอใหญ่เป็นอาจารย์หมอชีวิตจบยังไงรู้ไหมคาดเจ้าก่อนเชื่อไมโยมต้องขึ้นโรงขึ้นศาลยื้อกันหลายปีคดีความ สุดท้ายทำไมชีวิตจึงเป็นการตะก่อนได้มันแปลกไหมมันไม่มีอยู่ในตำราหมอเลยนะไม่มีไม่มีต่อให้เป็นคนในดิกิเนอรี่ก็ไม่มีจึงบอกเออตำราที่เขียน เป็นการบอกถึงชีวิตแต่ตำราชีวิตจริงๆยังไม่มียมเขียนได้หยดเหงื่อได้ไหมเขียนได้หยดเลือดได้ไหมเขียนได้หยดน้ำตาได้ไหมเขียนด้วยลมหายใจได้ไหม ย, ยมแต่งบทความชีวิต เขียนได้ลมหายใจไม่ได้จึงบอกว่าเรารักษาจิตเข้าใจสิ่งนี้แค่ไหนและเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจแล้ววันที่ตัดสินใจผิด ก้าวที่ไม่ควรเดินคือหน้าผาก้าวเดียวก็เท่ากับตกเหวเลยนะก้าวนี้เขาไม่ให้เดินก็ต้องหยุดแต่ถ้าดือ้อรันที่จะเดินก็คือจบตายชีวิตผันเปลี่ยนไปอย่างอื่นเจนตมาบอกว่า มนุษย์เข้าใจแค่ไหนคว่าการตัดสินใจผู้พิพากษาก็ตัดสินคดีความตามรูปคดีมีหลักฐานอ้างอิงมีพยานแวดล้อมก็สุดแล้วแต่เขาไม่เอาความรู้สึกตัดสิน แต่บางครั้งบางครั้งอาจจะต้องมีความเห็นใจมโนธรรมเมตตาก็สุดแล้วแต่จะใช้แต่โดยหลักก็ต้องใช้ในรูปคดีโดยหลักฐานและก็พยานหรือสิ่งแวดลอ้อมที่ชี้บอกแล้วก็ตัดสินไม่ใช่คนเดียวก็ต้องมีลูกขุนคณะตัดสิน ให้ทั้งโจทย์จำเลยเมื่อยังไม่ตัดสินก็ยังไม่เป็นผู้ผิดกระซูคดีกันก่อนจนกว่าศาลตัดสินตรงนั้นก็ชี้ขาดแต่การตัดสินใจนะให้ศาลตัดสินให้ไม่ได้ บางคนตัดสินใจผิดนิดเดียวบ้านแตกสาแล ข, ขาดเงินทุนพินาศย่อยยับเสียเพื่อนเสียคนรักเสียหน้าที่เสียตำแหน่งเสียการงานเสียบริวารจนบางครั้งเสียแม่แต่ชีวิตของตัวเอง แล้วก็เสียอนาคตไปด้วยแต่มาจริงเลงดูคาว่าการตัดสินใจต้องไม่มีอารมณ์เข้ามาถ้าใครในขณะตัดสินใจมีอารมณ์เข้ามาแม้แต่น้อยแม้แต่นิดเียเพิ่งตัดสินใจหยุดไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเสียใจทั้งชีวิต หยุดก่อนหรือเดินถอยมาอีกเก้าหนึง่งพุทธโธสักร้อยครั้งก่อนกำหนดจิตชีวิตธรรมจิตใต้สำนึกคุณธรรมเอามาวินิจฉัย แล้วค่อยค่อยตัดสินจนถึงตัดสินใจลงไปเมื่อตัดสินใจแล้วทำอะไรอย่าลีรลอและอย่าช้าแต่ก่อนตัดสินใจคิดให้ดีก่อนคิดได้ดีก่อน เดี๋ยวนี้ต่อมาก็รู้สึกพอจะตัดสินใจคิดอะไรสมองมันเริ่มตึงไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะไรก็ได้มันง่ายไปหมดไม่ได้เดี๋ยวนี้มันง่ายอย่างที่เราคิดตัวคนเดียวถือบาตห่มชีวรเดินออกเลยเนี่ยมันเหมือนไม่ต้องคิดเลยสบายตอนนี้ต้องคิด บอกอคิดหน้าคิดหลังคำนี้ไม่ธรรมดานะคิดหน้าคือคิดถึงอนาคตคิดหลังทำอะไรต้องคิดถึงคนอื่นผลที่จะได้รับมาคิดให้ดีบอ ก, อบอกพิจารณาให้ดีถ้าขณะที่โกรธ อ, อย่าตัดสินใจนะ อย่า yeah. ได้ไม่เท่าเสียถ้ายิ่งต้องการชนะมันแพ้อยู่ตั้งแต่เริ่มคิดชนะแล้วไม่เอาอย่า yeah. คิดอะไรไม่ออกเวลานี้ให้คิดถึงพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ห่วงเราพ่อแม่รักเราพ่อแม่เลี้ยงเรามา คิดถึงสิ่งดีๆเวลาจิตใจที่มันโศกเศร้ามากคิดว่าเราเคยได้ชีวิตที่ดีๆมาวันนี้ยังไม่ใช่วันของเราก็อย่าไปผูกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดมันอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งบางอย่างถ้าเรารู้จักสลัดมันทิ้ง เพื่อเริ่มต้นใหม่มันก็คุ้มนะมันก็คุ้มแต่ถ้าสลัดไม่ออกกอดกันตายโลกเขาก็ไม่สรรเสริญเราตายไปคนหนึ่งจะมีความสำคัญอะไรกับโลกใบนี้แต่มาถามหน่อยมันก็เหมือนมดตัวหนึ่งที่มนุษย์เดินเหยียบตายโดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยก็ไม่สนใจใเรา อย่าไปอย่างนั้นอย่าไปทาอย่าไปคิดบอกระหว่างที่มีอารมณ์อย่าเพิ่งตัดสินใจไม่ว่าการลงทุนบางทีพวกเราใช้ความโลภมากเกินแล้วมาตัดสินใจมองแด่ ว, ว่าจะได้ไม่คิดว่าจะเสียอะไรปัญหาเกิดขึ้นจะทํอยังไงบางคนก็ลงทุนเข้าไปได้เพราะเงินทุนเขาไม่กู้มา เราก็เห็นเขาทาได้เราก็ไปคู่ครับแล้วก็ไปทําระหว่างค่าพนังงานแรงงานค่าใช้จ่ายค่านา้ําค่าไฟค่าสถานที่และต้องมาเสียดอกคิดแล้วเนี่ยกําไรเห็นว่าพอจะได้แต่พอหากค่าใช้จ่ายเสียดอกเหมือนชักเนื้อ เห็นไมโยมเหตุผลแบบเดียวกันแต่ก็ยังต่างกันถึงบอกเออตัดสินใจให้ดีรู้แล้วต่อไปโยมจะคิดจะทำอะไรในขณะตัดสินใจนะใช้จิตใต้สำนึกใช้มโนธรรม แล้วก็ใช้คุณแห่งความดีมาพิจิตรพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจเมื่อตัดสินใจแล้วโยมต้องไม่เสียใจเมื่อเลือกทางแล้วโยมก็ต้องเดินต่อสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ตำราไม่ได้สอน คือการตัดสินใจยมเชื่อไหมละ่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ตำราไม่ได้สอนชีวิตคือเรื่องการตัดสินใจมันไม่ธรรมดาแพ้ชนะอยู่ที่ตัดสินใจแค่ห่วงเนี้บางคนก็ดูดีมาทั้งชีวิต แต่มาพลาดตอนท้ายนะหมดเลยคือบอกเราเข้าใจจิตใจแค่ไหนแล้วจิตใจรู้แจ้งชีวิตเพียงไหนมันต้องอาศัยกันจริงเรียกว่าการปฏิบัติธรรม มีอนิสงส์มีผลเกิดประโยชน์มีมรรคมีผลตามาก็สงสัยถามอยู่เรื่อยปฏิบัติธรรมได้อะไรนั่งสมาธิรักษาศีลฟังธรรมภาวนาได้อะไรบางคนก็ไม่เข้าใจว่าหลับหูหลับตามันจะเห็นอะไรได้ยินอะไรบอกเหล็กแก้เข้าเตาหลอม ยังไม่ทันเอาไปเทในเบ้ายังไม่ทันตีขึ้นรูปก็ดวนสรุปแล้วว่ามันไม่มีไม่ได้ไม่เป็นอะไรบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้ายอมสละทุกอย่า ง, งเพียงเพื่ออะไรยมว่าพระพุทธเจ้าสละทุกอย่างเพียงเพื่อได้รู้แจ้งแห่งพระสัจธรรม แล้วก็นำวัสัุธรรมที่รู้แจ้งนั่นแหละให้มนุษย์เวนยสัตว์ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและก็มีขันลองแล้วปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มีจิตใจมนุษย์<ม>ก็จะไม่ทุกข์กมันมากเกินไป รู้วิธีฉันถ้ายมไม่รู้วิธีนะพอเกิดเรื่องมาก็วอยวายล้วปัญหาเกิดก็วอยวายแล้วผิดใจนิดหน่อยก็วอยวายล้อะไรไม่ได้ดั่งใจก็วอยวายแล้วแล้วยมจะมีความสุขได้อย่างไงก็ในเมื่อใจเราเอง เราไม่เคยรักษาเลยเราไม่รู้จักรักษาจิตเราเองดันั้นสิ่งที่สำคัญโยมมีสติทำความรึกรู้กำหนดลงไปที่ใจของโยมแล้วกำหนดดูว่าขนาด จิตนี้เป็นอย่างไรมันร้อนงุดงิด อ, อึดอัดทออถอยไม่เป็นสุขเมื่อรู้แล้วก็ใช้ปัญญาบ่มลงไปอีกครั้งหนึ่งเอาปัญญาบ่มยังไงมองโลกนี้ให้กว้างก่อนอย่ามองโลกแคบอย่ามองโลกด้วยวิสัยทัศ ที่มันสั้นยิ่งเป็นผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างแต่มาเคยเจอแต่ก็เรื่องมันเป็นเรื่องเก่าท่านเป็นผู้ใหญ่แต่วิสัยทัศน์ไม่กว้างสุดท้ายผู้น้อยพึ่งพาไม่ได้ท่านรังแกผู้น้อยโดยไม่รู้ตัว กฎที่ไม่ควรใช้ก็เอามาใช้ระเบียบที่ไม่ควรวางก็เอาสิ่งนั้นมาวางใช้ผิดที่ผิดทางไม่ส่งเสริมไม่ว่าแต่อย่าทำลายผู้น้อยก็บีบโดยท่านก็ไม่รู้ตัวว่าท่านพูดคาหนึ่งสั่งคํหนึ่งไปมันมีผลในภาคปฏิบัติกับผู้น้อยเนี่ยไม่ทำบันดา สุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่กับท่านก็หลีกหนีออกไปหมดนั่นเป็นเพราะท่านไม่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างถือท่านเข้าใจด้วยเหตุผลแค่ตัวของท่านเอง หรือเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแต่ไม่ได้เผื่อความอยู่รอดของผู้อื่นอาจารมาจริงบอกว่าคนดีเสียสละคือเป็นคนที่ไม่ฉกฉวยโอกาสผู้อื่นแต่หยิบยื่นโอกาสให้กับผู้อื่นเนี่คนดีจริงๆถ้าวันไหนโยมเป็นคนหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้อื่นนะถ้าโยมทำได้จริงๆโยมจะรู้สึกได้ ว่าการตัดสินใจที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆมีแต่ผู้เสียสละที่ทำและถ้าเกิดมีอะไรขึ้นผิดพลาดอะไรขึ้นมาคนดีไม่ซ้ำเติมช่วยได้ช่วยให้อภัยได้ให้อภัยหรือช่วยไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมวางเฉย ใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปใครมีหน้าที่เช็ดปัดกวาดให้เกลี้ยงก็ปัดกวาดไปบอกเออกว่าเราจะรู้มโนธรรมคุณธรรมจิตใต้สํานึกกว่าจะสร้างได้อย่างนั้นคนก็กเป็นโพธิสัตว์กันง่ายนะใช้เมตตาคําเดียวเป็นโพธิสัตว์ได้ แต่เมตตาเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนที่พูดถูไม่ยมจะบอกเออตรงนี้โยมต้องกำหนดแล้รักษาจิตได้อย่างไงและก็ตัดสินใจของโยมอย่างไงจิตจะบอกอยู่ในด้านของมโนธรรมคุณธรรมและความดีงาม ก็พิจารณาค่อยๆรู้เขาเข้าใจพอเข้าใจเสร็จมองโลกได้กว้างขึ้นวิสัยทัศน์กว้างไม่คัดแคบเรามีที่นั่งใหญ่ยยไม่แบ่งปันเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นในเมื่อรู้ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ ทำไมไม่อยู่ร่วมกันอย่างมีน้าใจกันถ้าทุกคนเข้าใจพวกเราจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่นี่เป็นเพราะเราไม่เข้าใจการเสียสละมโนธรรมคุณธรร ม, ค, รรมความดีงามต่างคนก็ต่างฉกฉวยกันแย่งชิงกันเอาเปรียบกันเอาผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็ไม่สนใจว่าใครจะเสียผลประโยชน์ สุดท้ายพอเก็ทนไม่ได้ก็มีการทะเลาะ ก, กันเข่นฆ่ากันมนุษย์พัฒนาความรู้มาก็หลายปีแล้วแต่ไม่สามารถที่จะหยุดความชั่วร้ายความหินแก่ตัวหรือการฉกฉวยโอกาสของผู้อื่น ะมาดูแล้วมันไม่มีวี่แววที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นไม่ว่าใครจะจบอะไรมาไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นจะเป็นคนดีก็ต้องดูอีกว่าเขามีมโนธรรมคุณธรรมและจิตใต้สำนึกแค่ไหนสำคัญตรงนี้ ยอมรู้ผิดถูกดีชั่วรับผิดชอบมากน้อยเพียงไหนมีจิตใจเมตตาให้อภัยเพียงใดใครก็ตัดสินใจแทนไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจึงต้องมีสติกำหนดจิตแล้วก็พิจารณาจนรู้ว่า จิตของโยมอยู่ขั้นไหนตอนนี้โยมต้องตอบเองจนถึงขัง้นมรรคผลนิพพานแล้วยังหรือว่าเป็นเพียงะละบาปทำดีหรือเป็นผู้มีกุศลรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลหรือเป็นผู้ใฝ่ความสงบเจริญในการทำสมาธิ หรือเป็นผู้กำลังอบรมปัญญาอันนำพาจิตให้พ้นจากวังวนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายแล้วใครก็ตอบแทนคนอื่นไม่ได้ยมกำหนดเองรู้เองพระสิบรูปนั่งกันภูมิธรรมก็ยังต่างกัน แม่จีนสิบองค์ยีองค์ก็ยังต่างกันญาติโ ย, ยมก็เช่นเดียวกันก็ดูโยมจะหยุดบาปได้เมื่อไรใจโยมจะรู้เองคนอื่นตอบแทนไม่ได้ที่กูเดินก็บอกคนนั่นเป็นคนดีคนนี้เป็นคนดีนั่นเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่เขาเห็น แต่สิ่งแท้จริงตัวโยมเองรู้ตัวเองมากกว่าคำพูดไหนๆที่คนอื่นเขาพูดออกมาสำคัญตรงนี้แทนโยมต้องพิจารณาไปกำหนดไปจนกว่าเข้าใจที่สุดแห่งมรรคผล และโยมก็จะไม่จิตอะไรอีกเลยเชื่อเสียงเกียรติอำนาจยศสันเสริญสุขที่ไม่ใช่สุขแท้จริงก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน